แนะนำบทอัลมาอาริดบทอัลมาอาริดเป็นบทมักกียะมีสี่สิบสี่องค์การบทนี้เริ่มกล่าวถึงความเกลียดกราดของชาวมักกะความหญิงยโสต่อท่านรอซูลซลฮลลลุไลฮะสันลำด้วยการไม่เชื่อฟังสแสดงอาการเย้ยหยันต่อการตักเตือนและการลงโทษที่พวกเขาพึงจะได้รับกล่าวถึงความกำเริบเสบสารของพวกเขาคือการที่อันนัต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 มีสภาพคล้ายขนสัตว์สีต่างๆต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นคนกลัดกลุ่มรุ่มร้อนเมื่อประสบกับความทุกข์ยากไม่พอใจเมื่อได้รับความดีพวกเขาจึงหวงแหนสิทธิของคนยากจนบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดามุมินพุท ธ, ธาและคุณลักษณะอันเด่นชัดที่บ่งชี้ถึงการมีมรรญาติอันประเสริฐ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 แต่นั้นเจ้าจงอดทนด้วยความอดทนที่ดีงามเถิดถ้าจริงพวกเขามุสริกีนมองเห็นการลงโทษว่าเป็นเรื่องห่างไกลรแต่ว่าเราเห็นมันการลงโทษนั้นเป็นเรื่องใกล้วมะูุันที่ท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่หลอมละลายวะจูาและบรรดาภูเขาเป็น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 เพื่อที่จะให้เขารอดพ้นจากการลงโทษไม่เลยแท้จริงมันเป็นไฟนรกที่ลุกโชนหนังศีรษะจะถูกลอกออกเพราะความร้อนของไฟนรกมันจะเรียกผู้ที่พิสนหลังละหันเหออกจากความจริงและสะสมทรัพย์สิน แว้้จริงมนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาเป็นคนหวั่นไหวเมื่อความทุกข์ยากประสบแก่เขาก็ตีพโพยตีพายกลัดกลุ่กและเมื่อคุณงามความดีประสบแก่เขาเขาก็หวงแหน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 สำหรับผู้ที่เอ่ยขอและผู้ไม่เอ่ยขออัลีีนนนยดดดิกูบมและบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นต่อวันแห่งการตอบแทนคือวันเที่ยมคืนอาบบรมมุชกูนและบรรดาผู้ที่มีความหวาดหวั่นต่อการลงโทษแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขาอินั้งดับรับบิห์มไกรมณู ถ้าจริงการลงโทษแห่งพระผู้วิบาลของพวกเขาไม่เป็นที่ปลอดภยัยและบรรดาผู้ที่ระวังรักษาทาวารของพวกเขานอกจากแก่คู่ครองของเขา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 และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาสิ่งที่ได้รับมอบหมายอามานะของพวกเขาและคำมั่นสัญญาของพวกเขาิและบรรดาผู้ที่ดารงมั่นต่อการเป็นพยานของพวกเขา และบรรดาผู้ดำรงรักษาการละหมาดของพวกเขาออุลิกกฟจนนมรมรูชนเหล่านั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายโดยเป็นผู้ได้รับเกีย ร, าารติรมีอะไรเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา